สาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นไม่ยั่งยืนดังมีพระพุทธพจน์ตรัสรับรองไว้ว่าอัตถวงเมชีวิตังชีวิตของเราไม่ยังยงย่งยืนท่วงเมมรณนั่งความตายของเรายั่งยืนอวสังมยามริตพังเราพึงตายแน่แท้มรณปริโยสานังเมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในพุทธกานิายคาถาธรรมบทนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครจะรู้บ้างว่าวันไหนมัจจุราชใจจะมาเยือนแก่พวกเราถ้าเราประมาท ละเลยในการพิจารณาสภาวะธรรมกับเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังขารร่างกายของเราที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้แหละธรรมชาติเหล่านี้แหละเป็นของใกล้ตัวเราเคยพิจารณาหรือไม่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหรือแม้แต่คนรอบข้างคนใกล้ชิดของเราก็มีสภาพที่เป็นเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้อาตมาจะข อ, อนำท่านสาธุชนสู่การพิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าประกอบด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรสาธุชนจะได้รับฟังจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านจะได้แยกแยะให้สาธุชนเข้าใจว่าสภาพธรรมนี้ที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี้แหละพอสักวันหนึ่ง มันก็แตกมาลายหายสิ้นไปจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาทำความเข้าใจกับสภาพธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้เกิดความไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตของเราว่าเราได้บาเพ็ญคุณงามความดีแก่ตัวเรามากน้อยเพียงไรขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมะเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับสังขารจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยพร้อมกัน สำหรับพระธรรมภาสิทที่อาตมาภาพได้นำมาแสดงไว้ในเบื้องต้นว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรร ม, มิโนอุปัฏฐิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขนั้นแปลความว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนี่เป็นคำแปลโดยเนื้อความ ตามวาระบาลีธรรมภาษิตที่ได้นำมาแสดงเป็นอุเทศในเบื้องต้นดังที่อาตมภาพจะได้อธิบายขยายความพระธรรมภาษิตนี้ตามสมควรแก่เวลาสื่อไปในเบื้องต้นสำหรับเนื้อความ ที่พึงจะทำความเข้าใจก็คือคำว่าสังขารทั้งหลายซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่าสังขารานั้นมีความหมายว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ซึ่งมีอยู่สองประเภทในโลกนี้และหมดทั่วทั้งจักรวาลนี้และมีในจักรวาลอื่นๆคืออุปาทินกะสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองมีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นประเภทที่หนึ่ง อีกประเภทหนึ่งอนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีชีวิตและหรือไม่มีวิญญาณครองสำหรับสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นก็ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายดังเช่นมนุษย์เราทั้งหลาย ตลอดไปถึงสัตว์โลกอื่นๆมีสัตว์ดิรกชันเป็นต้นที่เราเห็นกันด้วยมังสะจักษุคือด้วยตาเนื้อและยังมีสัตว์โลกอื่นๆในทุ ก, กติภูมิคือในภพภูมิที่ไม่เจริญที่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยสายตาเนื้อได้แก่เปรตสัตว์นรก อสุรกายเป็นต้นและสัตว์โลกในสุขติภพหรือสุขติภูมิคือสัตว์ที่เกิดในภพภูมิที่ดีที่เจริญนับตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปก็ได้แก่เท พ, พยดาพรหมอรุปพรมเหล่านี้เรียกว่าสัตว์โลกที่มีชีวิตมีวิญญาณครอง และจัดเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งส่วนว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ไม่มีชีวิตและหรือทางไม่มีวิญญาณครองนั้นก็ได้แก่รับสริงคารทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ดีที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ดีที่ว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็มีปัจจัยปรุงแต่งขั้นพื้นฐานคล้ายคล้ายกันได้แก่ธาตุน้ำธาตุดิน ธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นธาตุน้ำนั้นเป็นส่วนที่ควบคุมของเหลวภายในสังขาร น, นั้นที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ได้แก่มนุษย์ส่วนที่ควบคุมของเหลวภายในร่างกายมนุษย์ให้ มีความเกิดขึ้นจเจริญขึ้นและดำรงอยู่ด้วยดีส่วนว่าที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ประกอบด้วยธาตุน้าอย่างนี้เหมือนกันอย่างเช่นต้นไม้ก็จะมีธาตุน้ําส่วนที่ควบคุมของเหลวให้ต้นไม้นั้นเกิดแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นอย่างเดียวกัน ส่วนว่าธาตุดินคือส่วนที่เป็นของหยาบแข็งอุณหภูมิคือธาตุไฟและธาตุลมก็เป็นส่วนที่ช่วยควบคุมปรุงแต่งส่วนที่เป็นของหยาบแข็งเป็นอุณหภูมิและ ลมปราณที่ปรนเปลออยู่ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์และหรือที่ช่วยปรุงแต่งให้ต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะตั้งแต่เกิดเจริญเติบโตและแม้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีด้วยกันทั้งธรรมชาติที่มีวิญญาณครองและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองแต่จำเพาะส่วนที่ชื่อว่าอุปาทินกาสังขารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นยังมีอย่างอื่นที่ปรุงแต่งอีกเช่นอาหารเป็นต้นถ้าว่าคนเราหรือว่าสัตว์นิรันดร์ถ้าปราศจากอาหารเป็นเครื่องปรุงแตง่งก็สู้ผอมและาขาดอาหารนานที่สังขารร่างกายทนไม่ได้ก็ต้องตาย ต้นไม้ต้นไร่ก็เช่นกันต้องการอาหารมีปุ๋ยเป็นต้นและในส่วนของบุปาธินากาศสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองมีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นยังประกอบด้วยเครื่องปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งเราท่านทั้งหลายถ้าไม่สังเกตก็ไม่ทราบ แต่ว่านี่เป็นพุท ธ, ทธวิสัยที่ได้ตรัสรู้คือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งแล้วได้นำพระสัจธรรมได้นำสัจธรรมมาแนะนำสั่งสอนเราให้รู้ให้เข้าใจคือกรรมดีกรรมชั่วสัตว์โลกใดที่ประกอบ กรรมดีเป็นคุณงามความดีชื่อว่าบุญกุศลซึ่งเมื่อกระทำไปแล้วเป็นสภาพธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสและเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วยังความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขให้เกิดแก่ตนเองและผู้อื่น จากผลของกรรมดีเช่นนั้นนี่ชื่อว่ากรรมดีหรือบุญกุศลเป็นเครื่องปรุงแต่งให้ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญในชีวิตแม้ในภพชาติปัจจุบันแล้วยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในภพภูมิ ที่ดีที่มีความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามระดับภูมิธรรมคือคุณความดีที่ปฏิบัติได้เช่นว่าบุคคลหรือมนุษย์ที่ประกอบกุศลคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นบ่อยๆเนืองๆจนจิตบริสุทธ ผ่องใสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นที่หวังเพราะว่าเมื่อประกอบกรรมดีแล้วย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีมนุษย์และหรือสูงขึ้นไปเป็นเทพพยายดาเหล่านี้ความปรุงแต่งอย่างนี้ชื่อว่าปุญญาภิสังขารคือปรุงแต่งด้วยบุญแต่ถ้าเป็นคุณความดีที่ยิ่งขึ้นไปอีกชื่อว่า อเนชาพิสังขารนั่นหมายถึงปรุงแต่งด้วยบุญที่ไม่หวั่นไหวได้แก่ความปรุงแต่งด้วยฌานสมบัติตั้งแต่ระดับจตุตฌานปัญจมชฌานขึ้นไปถึงอรูปฌานเมื่อก่อนตายจิตยังไม่เสื่อมจากฌานนั้นๆก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก หรืออารูปโลกตามระดับภูมิธรรมหรือภูมิของจิตใจที่ได้เจริญฌานสมบัตินั้นได้เสวยสุขที่ละเอียดที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ชื่อว่าอาเนชาพิสังขาร น, นี่แหละเรียกว่าปรุงแต่งด้วยบุญกุศลคุณความดีไปถึงคุณความดีที่ละเอียดประนีต ที่ไม่หวั่นไหวคือฌานสมาบัติชั้นสูงแต่ถ้าสัตว์โลกใดประกอบกรรมชั่วผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็ทรงผลให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่เจริญที่ชื่อว่าทุกขติ ได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายและสัตว์นิรันดรเป็นต้นกรรมไม่ดีทั้งหลายได้แก่กายทุจริตความชั่วทางกายวาจีทุจริตความชั่วทางวาจามโนทุจริตความชั่วทางใจเจตนาความคิดอ่านทั้งหลายเป็นไปด้วยอํานาจของกิเลส ที่หยาบที่หนาได้แก่อภิชาความเพ่งเลงหรือโลภจัดหรือตันหาราคาจัดและความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรตลอดทั้งโมหะหลงไม่รู้บากคุณคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดกระทําผิดผิด เช่นหลงติดอยู่ในอบายามุกเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงคู้หญิงเป็นนักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรติดเที่ยวกลางคืนเหล่านี้เป็นต้นนี้ก็ชื่อว่าปากทางแห่งความฉิบหายคืออบายามุกซึ่งจัดเป็นกรรมชั่วเช่นเดียวกันกับกายทุจริตวิจีทุจริตและมนุทุจริต กรรมชั่วเหล่านี้ก็จะปรุงแต่งให้บังเกิดผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่การดำเนินชีวิตของผู้ประกอบกรรมชั่วนั้นเองทั้งในภพชาติปัจจุบันและเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกติภูมิเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่ดีๆนี่แหละแต่ว่าประกอบกรรมชั่วมากเมื่อตายไปก็ ด้วยอำนาจของกรรมชั่วนั้นก็นำให้ไปเกิดในทุ ก, กติคือที่ไปไม่ดีพบภูมิที่ไม่ดีไม่มีความเจริญมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเช่นพบภูมิของเปรตสัตว์นรกอาศรกายสัตว์ดีรฉ า, านตามกรรมนี่สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส พระธรรมภาษิตไว้ว่าจิตเตสังกิริเถ ท, ทุกติปาติกัางขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกติเป็นที่หวังความปรุงแต่งด้วยบาปอกุศลซึ่งมีกิเลสเป็นเหตุนำเหตุหนุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขาร น, นี่แหละที่เรียกว่าสังขารทั้งหมด หมายถึงธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจใจปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างเช่นมนุษย์หรือสัตว์โลกอื่นทั้งหลายเป็นสภาพปรุงแต่งด้วยธาตุด้วยขันด้วยอาหารด้วยกรรมเป็นต้นและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ปรุงแต่งด้วยธาตุ บางอย่างมีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ปรุงแต่งด้วยอาหารด้วยเช่นต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆสำหรับธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งดังที่กล่าวนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นว่าคนเราเกิดมาแล้วแก่เท่าลงท้ายต้องตายลงสิ้นสภาพ ที่เป็นอยู่เดิมหมดไปสิ้นต้นไม้ตน้นไรทรัพย์สริคารนก็เช่นกันไม่มีอะไรที่ใครสามารถจะยึดถือเป็นเจ้าของได้อย่างถาวรตลอดไปผู้รู้มีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นต้นท่านจึงตรัสจึงเรียกว่าเป็นสภาพธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของ ที่แท้จริงแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เป็นตัวเจ้าของตัวเราเองที่แท้จริงได้นานมีแล้วกลับไม่มีเป็นแล้วกลับไม่เป็นเมื่อตายลงก็หาตัวตนของเราไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของจึงจัดเป็นสภาพธรรมชาติที่ว่างเปล่านี่แหละที่ท่านกล่าวว่า ท่านณที่นี้ก็คือเท้าสักกะเทวราชจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงซึ่งพวกเราทั้งหลายรู้จักกันในนามว่าพระอินบางท่านก็เรียกว่าพระอินสวนเหล่านี้เป็นต้นท่านได้ตรัสเมื่อสมเด็จพระสัมมาสุทธเจ้าได้เสด็จดับขัน เข้าปรินิพานด้วยอนุปาติเสสนิพานธาตุจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านตายหรือมอรณภาพถ้าพูดภาษาธรรมดานั่นแหละแต่ท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้แหละเราจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าคำที่ว่า สังวูปัสะโมสุขหูความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเนี่ยคืออย่างไรในเบื้องต้นเราได้ทำความเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน และมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาชื่อว่าเป็นอนัตตาพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชจึงได้อุทานในการแห่งปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอนิจจาวะตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอุ ป, ปัชิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและได้ตรัสคำสุดท้ายว่าเตสังวูปะสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขความข้อนี้ บางท่านอาจจะเข้าใจแต่เพียงว่าความตายเป็นความสุขแท้จริงไม่แน่เสมอไปเพราะว่าถ้าตายลงก่อนตายนั่นถ้าประกอบคุณงามความดีกุศลผลบุญคุณงามความดีนั่นก็จะปรุงแต่งให้ได้รับความสุขเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในสุคติภพ มีพบมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปโลกเป็นต้นตามกัรอย่างนี้ก็เป็นสุขแต่ว่าเป็นสุขได้เพียงชั่วคราวเพราะยังไม่พ้นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอีกคืออวิชากิเลสตัณหาอุปาทานคือแปลว่ายังทำคุณความดีคละเคล้าปะปนระคนกับความชั่ว มีกิเลสอวิชาตัญหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ยังหลงผิดอยู่จึงกระทำกรรมที่จะนำให้เกิดต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัชรนี้อยู่คือเมื่อหมดบุญก็ต้องได้รับผลจาก บุญที่รองลงไปหรือจากกรรมชั่วที่เคยกระทำไว้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อตายลงแต่ก่อนตายนั่นประกอบกรรมชั่วมามากนี่แน่นอนว่าผลแห่งกรรมชั่วย่อมเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกติภพ หรือในทุกติภูมิได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์นิรันดรเป็นต้นตามกรรมนี่แหละความตายจริงๆของผู้ตุชนยังไม่แน่ว่าจะไปสุขหรือจะไปทุกข์นั่นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายของเรา ที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครพอถึงวาระสุดท้ายก็แตกตับไปไม่สามารถที่จะใครเอาเป็นที่พึ่งได้อย่างเที่ยงแท้ถาวร น, นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อรับฟังสารธรรมจากหลวงพ่อมาถึงตรงนี้ท่านจะได้เกิด ความไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตจงหมัน่นศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจะได้เข้าใจแจม่มแจ้งในเรื่องของสังขารเหล่านี้ถ้าท่านมีเวลาก็ควรที่จะปฏิบัติธรรมอย่างน้อยทำใจของเราให้ผ่องใสเลือกวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสได้อย่างเช่นปฏิบัติตามแนวของวิชาธรรมกายคือการกำหนด ดวงแก้วกลมใสและท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่ที่กลางท้องของเราเหนือระลับสะดือสองนิ้วมือตรงนั้นแหละให้ใจของเราหยุดนิ่งไม่ว่าจะนั่งอยู่ในอิเียบทใจก็สามารถปฏิบัติได้พอใจเราสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขในใจเกิดขึ้นกับเราเพียงใดแล้วก็มันศึกษาและปฏิบัติรมอยู่เนืองๆสาหรับวันนี้รายการธรรม ส, สุสันติ ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากรางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร